ขอความผาสุกความสวัสดิ์ดีความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะอายุของเรา วัยคือความเสื่อมย่อมจะแก่ หนุ่มก็ตายแก่ก็ตายเยภาลาเยจะปัณฑิตาโง่ก็ตายฉลาดก็ตายอัตถาเจวะทริฐาจะ เออถ้าเรามาคิดถึงความตายอยู่ 1 เออย่าง ไม่รู้จะหยิบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนึกถึงฐานก็ไม่ได้จะพูด หาที่พึ่งเป็นสาระแก่นสารของตนเองไม่ได้เพราะจะ อย่างนี้ก็เรียกว่าเรือล่มเมื่อตอนจอดตาบอดเมื่อตอนเฒ่าๆ มองงานที่เราทํามากับมองอนาคต ในเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นย่อมต้องการบัณฑิต หรืออันทั่วไปเรื่องสําคัญอันทั่วไปต้องอาศัย โบราณท่านพูดคติธรรมเตือนจิตไว้เสมอว่าให้ สีรяти круп bonds 나� temps qui sera chez nos. Edu. Planca sa sevi the main forces are of buena to exist. съestyren, Monument die created fire to get better than good at times. By making this new hostVITE freedom for me and I have no idea who is worked for much with love There are no anybody that we know about Baby. It will be Cantonese. Deficie would get down into the test or not lebih she wouldahn. I อันนี้แหละเมื่อเรารู้ไม่ได้เราจึงต้อง มันเหมือนกับภาชนะแห่งดินที่บ้านของนายช่าง เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาฟัง ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้เดินทางไปพวกเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้เดินทางไปกราบไปๆ หรือเพิ่งจากเราไปใหม่ๆเมื่อเราเข้าไปใกล้โอ้ ให้มองเห็นว่าเป็นธรรมะสัจธรรมก็คือของจริงที่จะปรากฏอยู่ใน อย่าใส่นี่เราจะได้สร้างคุณงามความดีถ้าเกิดว่าเราไปสร้างความชั่วสีกันเลยทํานองนั้นนี่เรา ไปประเทศต่างๆก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าไปอินเดียไปดินแดนที่พระพุทธเจ้าประสูติเบื่อไม่ ไปแล้วเราก็อยากไปอีกถาม หลังจากพระโองค์นิผัณ ل 나왔ี และพระออนณณ์ได้ geht ถูนถามไว้ เมื่อไปดูสถานที่ 4 ตำบลแล้วยังความเลื่อมใสยังจิตใจ ควรจะไปดูไปดูสถานที่สิ่งสําคัญบางคนนี้มีกําลัง เป็นวีดีโอก็ดีซีดีก็ดีนะในประเทศอินเดียที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานได้เล่าไปว่าก่อนที่พระพุทธเจ้า เมืองป่าหวานเมื่อไปจำวันษาที่อาการพิเศษให้ปรากฏ แต่ว่าพอทรงพยุงกายลุกขึ้นแล้ว แต่เมื่อคนไข้แสดงอาการแต 16 ครั้งให้พระอานนท์อาราธนาให้ อายุกลับในครั้งนั้นก็คืออายุปีเป็น 100 กับแต่พระเวสาลี จงปรารภภิกษุสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอ ถ้าเราจะพูดถึงในเมือง พระอานนท์นี่ไปตักน้ํา 500 เพิ่งผ่านไป 3 ครั้ง 3 คาคร พระอานนท์ก็กราบทูลว่าเวียน 500 เพิ่งผ่านไปพระเจ้าค่ะ 3 พระอานนท์ไม่พูด เป็นเหตุจากนั้นก็ได้เสด็จมาถึงที่จึงพระอนล ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์ได้เสด็จมาถึงสวนมะม่วงของตนให้นายจุนทะธรรมเรียก แล้วนายจุนทะกมาลบุตรก็เลยนิมนต์พระสงฆ์มีพระอาหารบิณฑบาตมื้อสุดท้ายเนี่ยในวันนั้นน่ะ จึงได้รับความตรากต่ําเกินที่ 80 จะได้รับและ บางท่านก็บอกว่าเป็นจุนทะเธอจงเอาสุกรมัถวะมาถวายเราคนเดียวส่วนอาหารสุกรมัถวะที่ บอกว่าภิกษุเหล่าอื่นไม่ย่อยอาหารคือสุกรมัถวะได้แต่อาหารที่ให้นําถวายแก่เหล่าพระสงฆ์หลังแล้วพระองค์หนักลงพระโลหิตเวทนาแต่พระองค์ทรงดํารงพสติสัมปชัญญะอดกลั้นอาพาธนั้น ชนะขันติและเรื่องเหล่านี้เป็น ส่งแวะในระหว่างทาง กรรมที่พระองค์ได้กระทําไว้โอกาสก็จะได้นําเรื่องเหล่านี้มาเล่ามาบรรยายให้ฟัง ของเจ้ามันละชื่อว่าปุกกุสาติปุกกุสะซึ่งเป็นอาสาวกของอารารดาบดเดินให้ ปุกุสะได้ฟังเกิดความเลื่อมใสเจ้ามัลละกษัตริย์ ปุกุสาติก็เลยถวายตามพุทธประสงค์แล้วถวายอภิวาท 2 กาลคือเมื่อปุกุสาติลีกไปแล้วพระอานนท์ก็ แล้วพระองค์ก็ทรงห่วมผืนหนึ่งพระองค์ก็ทรงห่มผืนหนึ่งเพราะวรกายของพระองค์กลับ สอง. ร่างกายของเราตถาคตเมื่อได้ห่มแล้วผิวกายของเราตถาคตได้ปรากฏในราตรีที่เราตถาคตจะเสด็จดับขันธะปรินิพพานด้วยอนุปาฏิเสสนิพพานธาตุแล้วตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานนท์ในยามที่สุดแห่งราตรีในวันนี้แลความ ที่สารวโนทยานณใต้นางหลังทั้งคู่แห่งเจ้ามันละกษัตริย์ในเมืองกุสินาราพระพุทธองค์เนี่ยตรัส อาหารบิณฑบาต 2 มื้อ 2 ข่าวว่า แล้วก็ตรัสเรียกพระจุนทะเถระอาสนะสังคาติให้เป็น 4 ชั้นพระองค์ แล้วก็ตรัสสั่งให้พระอานนท์ไปบอกมื้อที่ มีผลมากมีอานิสงส์มากคือ 1 อาหารบิณฑบาตที่นางสุชดาลูกสาวผู้ใหญ่บ้านตําบลอุรุเวลาเสนานิคมถวาย อาหารบิณฑบาต 2 มื้อมีผลเสมอกัน ถึงเมืองกุสิณาราแล้วบรรลุถึงสารวะโนทยานคือป่าไม้สาระป่าไม้สาระหรือป่า หัวระหว่างแห่งไม้สาระทั้งคู่ไปทางทิศอุดรณที่นี้เป็น เป็นการประทับนอนครั้งสุดท้ายในขณะนั้นการประทับนอนครั้งเพื่อบูชาพระพุทธองค์ อีกทั้งดอกมนทารบเป็นดอกไม้ทิพย์มีอยู่ในเมืองสวรรค์เท่านั้นหล่นลงมาบูชาพระและจนแห่งจันทร์สุคนธชาติอันเป็นทิพย์หล่นลงมาจากอากาศมา ทั้งดนตรีอันเป็นทิพย์เทพเจ้าทั้งหลายเบื้องบน ต่างๆมากมายถึงเพียงนี้ยังไม่นับชื่อว่าเป็นอันบูชาเราตถาคต เนี่ยคือการพระองค์ทรงสนับสนุนการปฏิบัติบูชาเพราะพระองค์ทรงประสงค์ให้พระพุทธศาสนาสถาพรว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทําไมพระอุปวานะจึงออกไปนะ บางเทวดานั้นเทวดาเดือดร้อน พระปุทธองค์ทรัตว่าเทวดาบางเหล่ามีความบางคนเทวดา เนื่องเพราะภัตตะฆโคเจ้าทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้ในการบางครั้งบางคราวบัดนี้พระพุทธเจ้า เสียใจผมยกแขน คิดถึงพระพุทธองค์ก็จะพากันมาเฝ้า เมื่อพระอานนท์คร่ำอุบาสกอุบาสิกาหวังจะ 4 ตำบลคือ 1 พุทธกยาอันเป็นสถานที่ 1 ปาอีศิปัตตนะ 1 และกุสินารา 1 ทั้ง 4 ตำบลนี้กุลบุตรกุลธิดาผู้มีจิตศรัทธาประสาทะมี พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าพระองค์ 4 ตำบลพอพูดถึงอย่างนี้บางท่าน แต่ถ้าเราจะปฏิบัติตามประมาณ 19 ครั้งไม่ ถามว่าจะไปอีกไหมไปถ้าชีวิตนี้สังขารร่างกาย เกี่ยวกับสตรีเนี่ยกับพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนานี่จะทํา จงพูดแบบผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยสติสัมปชัญญะอย่าให้ตัณหากำหนัดแปรปรวนนะอย่าพูดบาง ฉะนั้นญาติโยมที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาจะพูดจะจากับพระเจ้า ประทับนอนที่ใต้ต้นไม้พุทธบริษัทพระอานนท์ เป็นเรื่องของกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลาย เรื่องถ้าเขาไม่ถามก็อย่าบอกเขาว่าจะให้คําตอบเขาอย่างไรถ้าเขา คือหมายความว่าพระเจ้าจักรพรรดิเวลา 5,000 5,000 5,000 คู่แล้วก็ทับ แล้วก็ยกขึ้นจิตกาทานก็คือยกขึ้นสู่กองฟอนอันทําด้วยไม้หอมแล้วกระทําชาปนกิจก็คือถวายพระเพลิงพุทธสรีระเถิด หลังจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถึงบุคคลที่ควรจะประดิษฐาน 4 จําพวกนะญาติ 4 จําพวก 1 พระ 2 พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้า 3 พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า 4 พระเจ้าจักรพรรดิ 4 บุคคลนี้เท่า เออมันมีเรื่องแทรกนะอาตมาเห็นโยมท่านหนึ่ง พ่อนอนไม่หลับมา 2-3 วันแล้วลูกจงไปเอาลูกสาวคิดว่าลูกสาวก็ไม่ได้ พอวันที่ 2 ลูกสาวฝันก็เลยไม่ ตั้งแต่นั้นมาก็สงบราบเรียบอันนี้อาตมาเห็นแล้ว ไม่สมควรเรื่องเกี่ยวกับการบรรจุเวลาที่พระพุทธเจ้าน่ะประทานเวลาก็กระชั้น ฝ่ายพระอานนท์เถระทอดพระเนตร เสขะบุคคลยังไม่สิ้นอาสวะ ว่าเรายังเป็นเเสกขะบุคคลยังจิตอะไรยังไม่เสร็จไม่สิ้นยังไม่ได้เป็น ไปยืนร้องไห้อยู่พระเจ้าค่ะแม่โยมพูด ของชอบใจสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการเสื่อมสลายไปไม่ตั้งมั่นเป็นธรรมดาอานนท์เอ๋ยเธอเป็นพุทธุปถากเราตถาคตด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มี เธอจงประกอบความเชื่อความเลื่อมใส พระพุทธองค์จึงได้ตรัสสรรเสริญพระ พระพุทธเจ้าจะมีมาในอนาคต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 เมื่อพระอานนท์แสดงธรรมแล้วก็มีความปลื้มใจเมื่อ ขอความปรารถนา